3. าธาตุวิพังหนสุดตันดาภาชนี172่ธาตุหกคือหนึ่งปฐวีธาตุธาตุดินสองอาโปธาตุธาตุน้ํามเตโชธาตุธาตุไฟสวาโยธาตุธาตุลม5อากาศสธาตุธาตุคือที่ว่าง 6. วิญญาณธาตุธาตุคือวิญญาณ 173บรรด า, าธาตุหนั้นปฐวีาธาตุเป็นฉไนปฐวีาธาตุมีสองอย่างคือปฐวีาธาตุที่เป็นภายในก็มีที่เป็นภายนอกก็มีในปฐวีาธาตุสองอย่างนั้นปฐวีาธาตุที่เป็นภายในเป็นฉไนธรรมชาติที่แข็งธรรมชาติที่กระด้างความแข็งภาวะที่แข็งเป็นภายในตนมีเฉพาะตน ที่การมันประกอบได้วยตัญหาและทิฏฐิยึดถือซึ่งเป็นภายในตนเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าหรือธรรมชาติที่แข็งธรรมชาติที่กระด้างความแข็งภาวะที่แข็ง เป็นภายในตนมีเฉพาะตนที่การมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิยึดถือซึ่งเป็นภายในตนแม่อื่นใดมีอยู่นี่เรียกว่าปัทวีธาตที่เป็นภายในปัทวีธาที่เป็นภายนอกเป็นฉไนธรรมชาติที่แข็งธรรมชาติที่กระดา้างความแข็งภาวะที่แข็งเป็นภายนอกตนที่การมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ ซึ่งเป็นภายนอกตนเช่นเหล็กโลหะดีบุกขาวดีบุกดำเงินแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพผ่ทูลสังศิลาแก้วประพานเงินตราทองแก้วมณีแดงแก้วมณีลายยา่าท่อนไม้ก้อนกรวดกระเบื้องแผ่นดินแผ่นหินภูเขาหรือธรรมชาติที่แข็งธรรมชาติที่กระด้าง ความแข็งภาวะที่แข็งเป็นภายนอกตนที่การมันประกอบด้วยัญหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นภายนอกตนแม้อื่นใดมีอยู่นี้เรียกว่าปฐวีธาตุที่เป็นภายนอกประมวลยอ่อปฐวีธาตุที่เป็นภายในและปฐวีธาตุที่เป็นภายนอกเข้าเป็นหมวดเดียวกันนี้เรียกว่าปฐวีธาตุ 174อาโปธาตเป็นไฉนาอาโปธาตมีสองอย่างคืออาโปธาตที่เป็นภายในก็มีที่เป็นภายนอกก็มีในอาโปธาตสองอย่างนั้นอาโปธ า, า, าตที่เป็นภ า, ายในเป็นไฉนความเออบอาบธรรมชาติที่เอิบอาบความเหนียวธรรมชาติที่เหนียวธรรมชาติที่เป็นเครื่องเกาะกุ่มรูปเป็นภายในตนมีเฉพาะตน ที่มันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิยึดถือซึ่งเป็นภายในตนเช่นดีเสรดน้องเลือดเหงื่อมันค้นน้ำตาเปลเวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดหรือความเอิบอาบธรรมชาติที่เอิบอาบความเหนียวธรรมชาติที่เหนียวธรรมชาติเป็นเครื่องเกาะกลุมรูปเป็นภายในตน มีเฉพาะตนที่การมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิยึดถือซึ่งเป็นภายในตนแม้อื่นใดมีอยู่นี้เรียกว่าอาโปาูธาที่เป็นภายในอาโปาูธาที่เป็นภายนอกเป็นไนะความเอบอาบธรรมชาติที่เอิบอาบความเหนียวธรรมชาติที่เหนียวธรรมชาติเป็นเครื่องเกาะกลุมรูปเป็นภายนอกตน ที่การมันประกอบด้วยตัญหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นภายนอกตนเช่นน้ำรากไม้น้ำลําต้นน้ำเปลือกไม้น้ำใบไม้น้ำดอกไม้น้ำผลไม้นมสดนมส้มเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยน้ำในพื้นดินน้ำในอากาศหรือความเอิบอาบธรรมชาติที่ซึมซาบ ความเหนียวธรรมชาติที่เหนียวธรรมชาติที่เป็นเครื่องเกาะกุมรูปเป็นภายนอกตนที่การมันประกอบได้ตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นภายนอกตนแม้อื่นใดมีอยู่นี้เรียกว่าอาโปธาที่เป็นภายนอกประมวลย่ออาโปธาที่เป็นภายในและอาโปธาที่เป็นภายนอกเข้าเป็นหมดเดียวกันนี้เรียกว่าอาโปธาหนึ่ง เตโชธาตเป็นฉไนเตโชธาตมีสองอย่างคือเตโชธาตที่เป็นภายในก็มีที่เป็นภายนอกก็มีในเตโชธาตสองนั้นเตโชธาตที่เป็นภายในเป็นฉไนความร้อนธรรมชาติที่ร้อนความอบความอุ่นธรรมชาติที่อุ่นความอบอุ่นธรรมชาติที่อบอุ่นเป็นภายในตนมีเฉพาะตน ที่การมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิอิถือซึ่งเป็นภายในตนเช่นเตโชธาที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นที่ทำให้ร่างกายชุดโทมที่ทำให้เร่าร้อนและทำให้ของกินของดื่มของเคี้ยวของลิมถึงความย่อยไปด้วยดีหรือความร้อนธรรมชาติที่ร้อนความอุ่นธรรมชาติที่อุ่นความอบอุ่นธรรมชาติที่อบอุ่น เป็นภายในตนมีเฉพาะตนที่กํามันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิยิดถือซึ่งเป็นภายในตนแม้อื่นใดมีอยู่นี่เรียกว่าเตโชธาที่เป็นภายในเตโชธาที่เป็นภายนอกเป็นไนความร้อนธรรมชาติที่ร้อนความอุ่นธรรมชาติที่อุ่นความอบอุ่นธรรมชาติที่อบอุ่น เป็นภายนอกตนที่การมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นภายนอกตนเช่นไฟฟืนไฟตะเก็ดไม้ไฟหญ้าไฟมูลโคไฟแกลบไฟอยากเยื่อไฟอัศนีบาทความร้อนแห่งไฟความร้อนแห่งดวงอาทิตย์ความร้อนแห่งกองฟืนความร้อนแห่งกองหญ้าความร้อนแห่งกองข้าวเปลือกความร้อนแห่งกองขี้เถ้าหรือความร้อน ธรรมชาติที่ร้อนความอบอุ่นธรรมชาติที่อบอุ่นเป็นภายนอกตนที่กรรมอันประกอบด้วยตัญหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นภายนอกตนแม้อื่นใดมีอยู่นี้เรียกว่าเตโชธาที่เป็นภายนอกประมวลเตโชธาที่เป็นภายในและเตโชธาที่เป็นภายนอกเข้าเป็นหมดเดียวกันนี้เรียกว่าเตโชธา 1,76. ยิ17วาโยธาเป็นไฉนะวายโยธาตมีสองอย่างคือวายโยธาตที่เป็นภายในก็มีที่เป็นภายนอกก็มีในวายโยธาสองอย่างนั้นวายโยธาตที่เป็นภายในเป็นไฉนะความพัดไปมาธรรมชาติที่พัดไปมาธรรมชาติครึ่งคำจุนรูปเป็นภายในตนมีเฉพาะตนที่การมันประกอบปริตันหาและทิฏฐิยึดถือซึ่งเป็นภายในตนเช่นลมพัดขึ้นเบื้องบน ลมพัดลงเบื้องต่ําลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมสัตราลมมีดโกนลมเพลกหัวใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือความพัดไปมาธรรมชาติที่พัดไปมาธรรมชาติเครื่องคําจุนรูปเป็นภายในตนมีเฉพาะตนที่การมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิยึดถือซึ่งเป็นภายในตนแม่อื่นใดมีอยู่ นี้เรียกว่าวายโยธาที่เป็นภายในวายโยธาที่เป็นภายนอกเป็นไนความพัดไปมาธรรมชาติที่พัดไปมาความเคร่งตึงแห่งรูปเป็นภายนอกตนที่การมันประกอบด้วยตัญหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นภายนอกตนเช่นลมตะวันออกลมตะวันตกลมเหนือลมใต้ลมมีฝุละอองลมไม่มีฝุละออง ลมหนาวลมร้อนลมอ่อนลมแรงลมดำลมบนลมกระพือปีกลมปีกครุดลมใบกังหันลมพัดโบกหรือความพัดไปมาธรรมชาติที่พัดไปมาธรรมชาติเครื่องคำจุนรูปเป็นภายนอกตนที่การมันประกอบในตัณหาได้ทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นภายนอกตนแม้อื่นใดมีอยู่ นี้เรียกว่าวายูธาที่เป็นภายนอกประมวลย่อวายูธาที่เป็นภายในและวายูธาที่เป็นภายนอกเข้าเป็นหมวดเดียวกันนี้เรียกว่าวายูธาตนึ7งอเ็อากาศสธาติเป็นไนอากาศธาตมีสองอย่างคืออากาศสธาติที่เป็นภายในก็มีที่เป็นภายนอกก็มีในอากาศสธาตสองอย่างนั้น ในอากาศสาธาติสองอย่างนั้นอากาศสาธาติที่เป็นภายในเป็นฉไหนอากาศธรรมชาติที่นับว่าอากาศความว่างเปล่าธรรมชาติที่นับว่าความว่างเปล่าของช่องว่างธรรมชาติที่นับว่าช่องว่างซึ่งเนื้อและเลือดไม่ถูกต้องแล้วเป็นภายในตนมีเฉพาะตนที่การมันประกอบด้วยตัหาและทิฏฐิยึดถือซึ่งเป็นภายในตนเช่นช่องหูช่องจมูก ช่องปากช่องสำหรับกลืนของกินของดื่มของเคี้ยวของลิ้มช่องที่พักอยู่แห่งของกินของดื่มของเคี้ยวของลิ้มและช่องสำหรับของกินของดื่มของเคี้ยวของลิ้มไหลลงเบื้องต่ำหรืออากาศธรรมชาติที่นับว่าอากาศความว่างเปล่าธรรมชาติที่นับว่าความว่างเปล่าช่องว่าง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 ธรรมชาติที่นับว่าช่องว่างซึ่งมหาภูต ร, รูปสี่ไม่ถูกต้องแล้วเป็นภายนอกตนที่กรมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นภายนอกตนนี้เรียกว่าอากาศสัทธาธที่เป็นภายนอกประมวลย่ออากาศสัทธาธที่เป็นภายในและอากาศสัทธาธที่เป็นภายนอกเข้าเป็นหมวดเดียวกันนี้เรียกว่าอากาศทธาตนึ่งวิ ญ, ญญาณธาตุเป็นชไหนะ จักคูวิญญาณธาตุโสตวิญญาณธาตุคานวิญญาณธาตุชิวหาวิญญาณธาตุกายวิญญาณธาตุและมโนวิญญาณธาตุนี้เรียกว่าวิญญาณธาตุเหล่านี้เรียกว่าธาตุหกหนึ่งร้อยเาธาตุหอีกในหนึ่งคือ 1. สุขธาตุสทุกขธาตุสโสมนัสสธาตุสโทมนัสสธาตุ หอุเปขาธาหกอวิชชาธาหนึ่งปบรรดาธาตหกนั้นสุขธาตุเป็นไนความสําราญทางกายความสุขทางกายความเสวยอารมณ์ที่สํำราญเป็นสุขอันเกิดแต่กายสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่สําราญเป็นสุขอันเกิดแต่กายสัมผัสนี้เรียกว่าสุขธาตุทุกธาตุเป็นไน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 อันเกิดแต่เจโตสัมผัสนี้เรียกว่าโสมนัสธาตุโทมณัสธาตุเป็นฉไนความไม่สําราญทางใจความทุกขทางใจความเสวยอารมณ์ที่ไม่สําราญเป็นทุก <abra plausible> ข์อันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่สําราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผัสนี้เรียกว่าโทมณัสธาตุอุเปขาธาตุเป็นฉไน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 ความไม่รู้ตามความเป็นจริงความไม่แทงตลอดความไม่ถือเอาให้ถูกต้องความไม่อย่างลงอย่างรอบคอบความไม่ใครครวนความไม่พิจารณาความไม่ทําให้ประจักษ์ความด้อยปัญญาความโง่เขลาความไม่รู้ชัดความหลงความลุ่มหลงความหลงไหลอวิชชาคือโอขะคืออวิชชาโยคะ คืออวิชชาอนุสัยคืออวิชชาปริยุทธานะคืออวิชชาลิ่มคื อ, อวิชชาอากุตตรมูลคือโมหะนี้เรียกว่าอวิชชาธาตุเหล่านี้เรียกว่าธาตุห18นอยธาตุหอีกในหนึ่งคือ1กามาธาตุสองพยาบาทธาตุสมวิหิงสาธาตุ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 ที่ประกอบด้วยกามนี้เรียกว่ากามธาตุขันธ์ธาตุอายตนะรูปเวทนาสัญญาสังขารบิญญาณที่ท่องเที่ยวนับเนื่องอยู่ในระหว่างนี้ชั้นต่ำมีอเวจีนรกเป็นที่สุดชั้นสูงมีเทพชั้นปรนิมมิตะสวัตตีเป็นที่สุดนี่เรียกว่ากามธาตุพยาบาทธาตุเป็นชไหน ความตรึกความตรึกโดยอาการต่างๆมิจฉาสังกัปปะที่ประกอบด้วยพยาบาทนี้เรียกว่าพยาปาทธาตอีกในหนึ่งความที่จิตอาฆาตในอาฆาตวัตถุสิบความอาฆาตที่รุนแรงความกระทบกระทั่งความแค้นความผีวโรษตอบความกำเริบความกำเริบหนักความกำเริบหนักขึ้นความคิดร้ายความคิดประทุษร้ายความคิดประทุษร้ายหนัก ความที่จิตคิดพยาบาทความที่จิตคิดประทุษร้ายความโกรธกริยาที่โกรธภาวะที่โกรธความคิดปองร้ายกริยาที่คิดปองร้ายภาวะที่คิดปองร้ายความพยาบาทกริยาที่พยาบาทภาวะที่พยาบาทความพิโรธความพิวโรธตอบความดุร้ายความเกลียวกราดความที่จิตไม่แช่มชื่นนี่เรียกว่าพยาบาทธา วิหิงสาธาตุเป็นไนความตรึกความตรึกโดยอาการต่างๆมิจฉาสังกัปปะที่ประกอบด้วยวิหิงสานี้เรียกว่าวิหิงสาธาตุบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมใช้ฝ่ามือก้อนดินท่อนไม้สัตตราหรือเชือกอย่างใดอย่างหนึ่งเบียดเบียนสัตว์ความเบียดเบียนกริยาที่เบียดเบียนความรังแกกริยาที่รังแก ความเกลียดกราดกริยาที่กระทบกระทั่งอย่างรุนแรงความเข้าไปเบียดเบียนสัตว์อื่นเห็นปานนี้นี้เรียกว่าวิหิงสาธาตุเนกขมธาตุเป็นไนะความตรึกความตรึกโดยอาการต่างๆสัมมาสังกัปปะที่ประกอบด้วยเนกข ม, มะนี้เรียกว่าเนกขมธาตุสภาวะธรรมที่เป็นกุศลทั้งหมดชื่อว่าเนกขมธาตุอัพยาป า, าทธาตุเป็นไนะ ความตรึกความตรึกโดยอาการต่างๆสัมมาสังกัปปะที่ประกอบด้วยอัพยาบาทนี้เรียกว่าอัพยาปาทธาต่ความมีมตตีความเจริญเมตตาภาวะที่แผ่เมตตาในสัตว์ทั้งหลายเมตตาเจโตวิมุตตหมายถึงความหลุดพ้นทางใจที่มีเมตตาเป็นอารมณ์นี้เรียกว่าอัพยาปาทธาธ่าตอวิหิงสาธาตุเป็นไนความตรึก ความตรึกโดยอาการต่างๆความดำริที่ประกอบด้วยอวิหิงสาความที่จิตแนบแน่นในอารมณ์ความที่จิต แ, แ, แนบสนิทในอารมณ์ความยกจิตขึ้นสู่อารมณ์สัมมาสังกัปปะนี้เรียกว่าอาวิหิงสาธาตุกรุณาความเจริญกรุณาภาวะที่แผ่กรุณาในสัตว์ทั้งหลายกรุณาเจโตวิมุต ความหรุดพ้นทางใจที่มีกรุณาเป็นอารมณ์นี้เรียกว่าอาวิหิงสาธาตุเหล่านี้เรียกว่าธาตุหประมวลย่อธาตุหสามหมวดนี้เข้าไปเป็นหมวดเดียวกันจึงเป็นธาตุ8ด้วยอาการอย่างนี้สุดตันตภาชนีจบ 2. ออภิธรรมภาชนี 183ธาต18คือ1จักขุธาตุ2รูประธาตุ3จักขุวิญญาณทาตุ4โซตธาตุ5สัทธาตุ6โสตวิญญาณทาตุ7คาณธาตุ8คันธธาตุ9คาณวิญญาณทาตุ10จิวหาธาตุ11รสธาตุ12จิวหาวิญญาณทาตุ 13. กายธาตุ 14. โพธพธาตุ 15. กายวิญญาณธาตุสมโนธาตุ 17. ธรรมธาตุ 18. มโนวิญญาณธาตุหนบรรดาธาตุ18นั้นจักขุธาตุเป็นไฉนจะสุใดเป็นภาษาธรูปอาศัยมหาภูตรูปสนี้ชื่อว่าบ้านว่างบังนี้เรียกว่าจักขุธาตุ รูปธปาตุเป็นฉไนรูปใดเป็นสีต่างๆอาศัยมหาภูตอ ร, รูปสี่นี้ชื่อว่ารูปธปาตุบางนี้เรียกว่ารูปธาตุบางจักขุวิ ญ, ญญาณธาตุเป็นฉไนจิตมโนมานัตหะทยัยปันตระมโนมานายตนะมนินสีวิญญาณวิญญาณขันจักขุวิญญาณธาตที่เหมาะสมกันอาศัยจกักษุและรูปเกิดขึ้น นี้เรียกว่าจักกุวิญญาณธาตุโสตธาตุเป็นฉไนะโสตใดเป็นภาษาทรูปอาศัยมหาภูตารูปสี่นี้ชื่อว่าบ้านว่างบ้างนี้เรียกว่าโสตธาตุสัทธธ า, าตุเป็นฉหนะสัทธคือเสียงใดอาศัยมหาภูตรูปสี่เป็นรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้ชื่อว่าสัทธธ า, าตุบ้าง นี้เรียกว่าสัต ธ, ธาตุโสตวิญญาณธาตุเป็นฉไนจิตมโนโมานัทไทปันดระมโนมานายตนะมนินทร์วิญญาณวิญญาณขันสโสตวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันอาศัยสโส ต, ตคือหูและเสียงเกิดขึ้นนี้เรียกว่าสโสตวิญญาณธาตุคานธาตุเป็นฉไนคานคือจมูก ใดเป็นภาษาทรูปอาศัยมหาภูตรูปสี่นี้ชื่อว่าบ้านว่างบางังนี้เรียกว่าคานธาตุคันธธาตุเป็นไนคันทะหมายถึงกลิ่นใดอาศัยมหาภูตรูปสี่เป็นรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้ชื่อว่าคันธธาตุบ้างนี้เรียกว่าคันธธาตุคานวิญญาณธาตุเป็นไนจิตมโนมานัตหะทยัย ปันดาราโมมนายตนะมนินทร์วิญญาณวิญญาณขันคานวิญญาณธาตที่เหมาะสมกันอาศัยคานและกลิ่นเกิดขึ้นนี้เรียกว่าคานวิญญาณธาตุชิวหาธาตเป็นไนชิวหาหมายถึงลิ้นใดเป็นภาษาธรูปอาศัยมหาภูตะ ร, รูปสนี้ชื่อวบ้านว่างบางนี้เรียกว่าชิวหาธาตรสาธาตเป็นไน รถใดอาศัยมหาภูตรูปสี่เป็นรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี่ชื่อว่ารถสถาาบ้างนี่เรียกว่ารถสถตาชิวหาวิญญาณธาตุเป็นฉไนจิตมโนโมานัตทไทปันฑระมโนมานายตนะมนินทรียีวิญญาณวิญญาณขันชิวหาวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันอาศัยชิวหาและรถเกิดขึ้นนี้ เรียกว่าจิวหาวิญญาณธาตุกายธาตุเป็นไฉไหนะกายใดเป็นภาษาไทยรูปอาศัยมหาภูตรูปสี่นี้ชื่อว่าบ้านว่างบางังนี้เรียกว่ากายธาตุโพธพปธาตุเป็นไฉไหนะปฐวีธาตุนี้ชื่อว่าโพธพปธาตุบางนี้เรียกว่าโพธพปธาตุกายวิญญาณธาตุเป็นไฉไหนะ มโนมานัตถไทยปัณดระมโนมนายตนะมนินทร์สีวิญญาณวิญญาณขันกายวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันอาศัยกายและผลิภัณฑ์เกิดขึ้นนี้เรียกว่ากายวิญญาณธาตุมโนธาตุเป็นฉนัยจิตมโนมานัตถไทยปัณดระมโนมนายตนะมนินทร์สีวิญญาณวิญญาณขันมโนธาตุที่เหมาะสมกันเกิดขึ้นในลำดับแห่งการเกิด ดับแห่งจักขุวิญญาณธาตุโสตวิญญาณธาตุคาณวิญญาณธาตุชิวหาวิญญาณธาตุจิตมโนโมานัตถัยปันระมโนมนายตนะมนินทร์สีวิญญาณวิญญาณขันมโนวิญญาณมโนธาตุที่เหมาะสมกันเกิดขึ้นในลำดับแห่งการเกิดดับแห่งกายวิญญาณธาตุ หรือการพิจารณาอารมณ์ครั้งแรกในสภาวธรรมทั้งปวงจิตมโนโมานต์ปันดระมโนมนายตนะมนินทรสีวิญญาณวิญญาณขันมโนธาตุที่เหมาะสมกันเกิดขึ้นนี้เรียกว่ามโนธาตุธรรมธาตุเป็นไนเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันรูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งนับเนื่องในธรร ม, มายตนะ และธาตุที่เป็นปัจจัยไม่ปรุงแต่งบรราธรรมธาตุน no ั <Bu questo S 2> no ้นเวทนาขันเป็นไฉไรเวทนาขันหมวดละหนึ่งได้แก่เวทนาขันที่สัมปยุทธได้ผัสสะเวทนาขันหมวดละสองได้แก่เวทนาขันที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีเวทนาขันหมวดละสาได้แก่เวทนาขันที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอภพยากฤตก็มี เวทนาขันหมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้เวทนาขันหมวดละมากอย่างมีด้วยอาการอย่างนี้นี่เ ร, เรียกว่าเวทนาขันสัญญาขันเป็นไนสัญญาขันหมวดละหนึ่งได้แก่สัญญาขันที่สัมปยุต ด, ด้วยผัสสะสัญญาขันหมวดละสองได้แก่สัญญาขันที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีสัญญาขันหมวดละสา ได้แก่สัญญาขนันที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากิจก็มีสัญญาขนันหมวดละมากอย่างมีด้วยอาการอย่างนี้นี่เรียกว่าสัญญาขนันสังขารขนันเป็นฉไหนสังขารขันหมวดละหนึ่งได้แก่สังขารขนันที่สัมปยุต ด, ด้วยจิตสังขารขันหมวดละสองได้แก่สังขารขนันที่เป็นเหตุก็มีที่ไม่เป็นเหตุก็มี สังขารขันหมวดละสได้แก่สังขารขันที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นนับพยากริตก็มีสังขารขันหมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้สังขารขันหมวดละมากยามมีด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าสังขารขันรูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งนับเพื่อในธรร ม, มายตนะเป็นฉไนอิทธินี กวลิงการาหานนี้เรียกว่ารูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งนับเนื่องในธรรมายตนะธาตุที่เป็นปัจจัยไม่ปรุงแต่งเป็นไฉนะสภาวธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งราคะเป็นที่สิ้นไปแห่งโทสะและเป็นที่สิ้นไปแห่งโมหะนี้เรียกว่าธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งนี้เรียกว่าธรรมธาตุมโนวิญญาณธาตุเป็นไฉนะ มโนธาตุที่เกิดขึ้นในลำดับแห่งการเกิดดับแห่งจักรุวิญญาณธาตุจิตมโนมานัตมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันเกิดขึ้นในลำดับแห่งการเกิดดับแห่งมโนธาตุมโนธาตุที่เกิดขึ้นในลำดับแห่งการเกิดดับแห่งจักรุวิญญาณธาตุโสตวิญญาณธาตุคานวิญญาณธาตุชิวหาวิญญาณธาตุกายวิญญาณธาตุจิตมโนมานั มโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันเกิดขึ้นในลำดับแห่งการเกิดดับแม้แห่งมโนธาตุจิตมโนมานัตทไทบันตระมโนมานายตนะมนินทร์วิญญาณวิญญาณขันมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันอาศัยพวังขจิตและธรรมารมเกิดขึ้นนี่เรียกว่ามโนวิญญาณธาตุอภิธรรมภาชนี สามปัญหาปุจฉกะ185ร้อยแปดสิบห้าธาตุสิคือ 1. จักขู่ธาตุสองรูปธาตุสา 3. จักขู่วิญญาณธาตุีโสตธาตุ 5. สัททธาตุ 6. โสตวิญญาณธาตุ 7. คานทธาตุแคันธาตุเาคานวิญญาณธาตุ 10. ชิวหาธาตุ 11. พระสัทธาติบสอชิวหาวิญญาณธาตุ 13บามกายธาตุสิโพธพธาตุสิกายวิญ ญ, ญาณธาตุสิมโนธาตุสิธรรมธาตุสิมโนวิญ ญ, ญาณธาตุหติกะมาติกาปุจฉาทุกะมาติกาปุจฉาหนึปบรรดาธาตุสิธาตุเท่าไรเป็นกุศลเท่าไรเป็นอกุศลเท่าไรเป็นอัพยกฤต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 กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาหรือสัมปยุทธ์ด้วยอทุขมัสุขเวทนาธาตุธสัมปยุทธ์ด้วยอทุขมัสสุขเวทนากายวิญญาณธาติสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาก็มีมโนวิญญาณธาติที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาก็มี ที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมัสุขเวทนาก็มีธรรมธาตุที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สั bien, สมปยุทธ์ด้วยอทุกขะมัสุขเวทนาก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาหรือสัมปยุทธ์ด้วยอทุกขะมัสุขเวทนาก็มี 3. วิปากติกาวิสัชนาธาตุสิบ ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากธาตุหเป็นวิบากมโนธาตุที่เป็นวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีธาตุสที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มี 4. อุปาทินติกวิสัชนาธาตุสิการมั น, น, มนประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทาน สัทธาตกรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานธาตุหที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีธาตุสที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี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 ที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มี 6. กสวิตากะติกะวิสัชนาธาตสิบไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์มโนธาตมีทั้งวิตกและวิจารณ์มโนวิญญาณธาตที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ก็มี ที่ไม่มีทั้งวิตกกละวิจารณ์ก็มีธรรมธาตุที่มีทั้งวิตกกละวิจารณก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกกละวิจารณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีทั้งวิตกกละวิจารณ์ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์หรือไม่มีทั้งวิตกกละวิจารณ์ก็มี 7. ปีติติกาวิสัชนาธาตุสิบ กล่าวไม่ได้ว sí, ่าสะ h o r ด้วยปีติสหรคตด้วยสุขหรือสะ h o r ด้วยอุเบกขาธาตุหสหรคตด้วยอุเบกขากายวิญญาณธาตุไม่สะ h o r ด้วยปีติที่สะ h o r ด้วยสุขแต่ไม่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสะ h o r ด้วยสุขก็มีธาตุสองที่สะรคตด้วยปีติก็มีที่สะ h o r ด้วยสุขก็มี ที่สหรคตด้วยเบกขาก็มีที่กล่าว ไ, ไม่ได้ว่าสรคตด้วยปีติสหรคตด้วยสุขหรือสหรคตด้วยเบกขาก็มี 8. ทัศนติกาวิสัชนาธาติสิไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามธาตุสองที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มีที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มี ที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาก็มีเก้าทัศนะเหตุติกรวิจัชนาธาตุสิบไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามธาตุสองที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มีที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามก็มีสิบ อาจยายคามิติกะวิศัชนนาธาตุสบไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานธาตุสองที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติก็มีที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานก็มีสิเอเซกคติกะวิศัชนาธาตุสิห ไม่เป็นของเสกบุคคลและอาศะบุคคลธาตุสองที่เป็นของเสกบุคคลก็มีที่เป็นของอเสะบุคคลก็มีที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสะบุคคลก็มี 12. ปริตติกวิจชนาธาตุสิเป็นปริฏต์ธาตุสองที่เป็นปริฏต์ก็มีที่เป็นมหคตะก็มีที่เป็นอัปปามะนะก็มี 13. ปริตรารมณติกวิสัชนาธาตุสิบรับรู้อารมณ์ไม่ได้ธาตุหกมีปริตะเป็นอารมณ์ธาตุสองที่มีปริตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอัปปมาณะเป็นอารมณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีปริตะเป็นอารมณ์มีมหคตะเป็นอารมณ์หรือมีอัปปมาณะเป็นอารมณ์ก็มี 14บีฮนาติกาวิสัชนะาธาตุสิเป็นชั้นกลางธาตุสองที่เป็นชั้นต่ำก็มีที่เป็นชั้นกลางก็มีที่เป็นชั้นปรนิษต์ก็มี15มิจฉาติกาวิสัชนะาธาตุสิเป็นธรรมชาติไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นธาตุสองที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนก็มี ที่มีสภาวชอบและให้ผลแน่นอนก็มีที่เป็นธรรมชาติไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นก็มี 16. มัคคารมณติกาวิสัชนาธาติสิรับรู้อารมณ์ไม่ได้ธาตุหกกล่าวไม่ได้ว่ามีมักเป็นอารมณ์มีมักเป็นเหตุหรือมีมักเป็นอันทิพย์ดีธาตุสองที่มีมักเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมักเป็นเหตุก็มี ที่มีมักเป็นอธิบดีก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีมักเป็นอารมณ์มีมักเป็นเหตุหรือมีมักเป็นอธิบดีก็มี <okay. S 1> 17. อุปนิสติกพนะพิสัชนะาธาตุสิบที่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ายังไม่เกิดขึ้นก็มีสัทธาธาตุที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มี ที่กล่าวไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นแน่นอนก็มีธาตุหที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มีธรรมธาตุที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเกิดขึ้นยังไม่เกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นแน่นอนก็มี 18. บดอติตติกวิสัชนาธาตุสิ ที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มีธรรมธาตุที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอดีตเป็นอนาคตหรือเป็นปัจจุบันก็มี 19. อตีตารมณติกวิสัชนาธาติสิรับรู้อารมณ์ไม่ได้ธาตุหกมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์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 ที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มี21อัจอชัตารามณติกวิสัชนาธาตุสิรับรู้อารมณ์ไม่ได้ธาตุหที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีธาตุสองที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มี มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์หรือมีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มี22่สิบสสนนิษฐานติกกวิจัชนารูปประธาต์เห็นได้และกระทบได้ธาตุเเห็นไม่ได้แต่กระทบได้ธาตุแป เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ 2. ทุกกะมาติกาวิสัชนา 1. เหตุโ ค, โคจัชกะปิสัชนา188่ธาตุสิไม่เป็นเหตุธรรมธาตุที่เป็นเหตุก็มีที่ไม่เป็นเหตุก็มีธาตุสิไม่มีเหตุธาตุสองที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีธาตุสิวิปยุจจากเหตุ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 เป็นเหตุและมีเหตุหรือมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีธาตุสิหกล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและสัมปยุทธ์ด้วยเหตุหรือสัมปยุทธ์ด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุมโนวิญญาณธาตุกล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและสัมปยุทธ์ด้วยเหตุที่สัมปยุทธ์ด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุทธ์ด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีธรรมธาตุที่เป็นเหตุและสัมปยุทธ์ด้วยเหตุก็มี ที่สัมปยุทธ์ด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและสัมปยุทธ์ด้วยเหตุ ห, หรือสัมปยุทธ์ด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีธาตุสิหไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุมโนวิญญาณธาตุที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุก็มีที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุก็มีธรรมธาตุที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุก็มีที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่า ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุหรือไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุก็มี 2. จุรันตารัตทุกกะวิสัชนาทาติบเมีปัจจัยปรุงแต่งธรรมท่าที่มีปัจจัยปรุงแต่งก็มีที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งก็มีท่าสิบเถูกปัจจัยปรุงแต่งธรรมท่าที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มีที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มี รูปธาตุเห็นได้ธาตุสิบเจเห็นไม่ได้ธาตุสิบกระทบได้ธาตุแดกระทบไม่ได้ธาตุสิบเป็นรูปธาตุเจดไม่เป็นรูปธรรมธาตุที่เป็นรูปก็มีที่ไม่เป็นรูปก็มีธาตุสิบหเป็นโลกิยะธาตุสองที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีธาตปที่จิตบางดวงรู้ได้ก็มีที่จิตบางดวงรู้ไม่ได้ก็มี สาอาสวะโคจัชะกาวิสัชนาธาติสิไม่เป็นอาสวะธรรมธาติที่เป็นอาสวะก็มีที่ไม่เป็นอาสวะก็มีธาติสิเป็นอารมณ์ของอาสวะธาติสองที่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีธาติสิวิปยุตจากอาสวะธาติสองที่สัมปยุตด้วยอาสวะก็มี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 ธรรมธาตุที่เป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นนาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะหรือเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มีธาตุสิกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและสัมพยุดด้วยอาสวะหรือสัมพยุดด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นนาสวะมโนวิญญาณธาตุกล่าวไม่ได้ว่า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 ธาตุสิบหกวิปยุจจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะธาตุสที่วิปยุจจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่วิปยุจจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุยจจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะหรือวิปยุจจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มี 4. สัญญโฉนะโคจฉกวิัชนา ธาตุสิไม่เป็นสังโยชน์ธรรมธาตุที่เป็นสังโยชน์ก็มีที่ไม่เป็นสังโยชน์ก็มีธาตุ6เป็นอารมณ um ์ของสังโยชน์ธาตุที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีธาตุ6วิปยุทธจากสังโยชน์ธาตุสองที่สัมปยุทธได้สังโยชน์ก็มีที่วิปยุทธจากสังโยชน์ก็มีธาตุส กล่าวไม่ได้ว่าเป็นสังโยชน์และเป็นอารมณ์ของสังโยชน์หรือเป็นอารมณ์ของสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์มโนวิญญาณธาตุกล่าวไม่ได้ว่าเป็นสังโยชน์และเป็นอารมณ์ของสังโยชน์ที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอารมณ์ของสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์ก็มีธรรมธาตุที่เป็นสังโยชน์และเป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มี ที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยกก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นสังโยชน์และเป็นอารมณ์ของสังโยชน์หรือเป็นอารมณ์ของสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยกก็มีธาตุสิกล่าวไม่ได้ว่าเป็นสังโยชน์และสัมปยุทธ์ด้วสังโยชน์หรือสัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์มโนวิญญาณธาตุกล่าวไม่ได้ว่าเป็นสังโยชน์และสัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์ ที่สัมปยุทธ์ไดสังโยตแต่ไม่เป็นสังโยชตก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุทธ์ได้สังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชตก็มีธรรมธาตุที่เป็นสังโยตและสัมปยุทธ์ได้สังโยชตก็มีที่สัมปยุทธ์ได้สังโยตแต่ไม่เป็นสังโยชตก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นสังโยชตและสัมปยุทธ์ได้สังโยชตหรือสัมปยุทธ์ด้วยสังโยชตแต่ไม่เป็นสังโยตก็มีธาตุสิห วิปปยุตจากสังโยชตแต่เป็นอารมณ์ของสังโยตธาตุสอที่วิปปยุตจากสังโยตแต่เป็นอารมณ์ของสังโยชตก็มีที 9, ว่วิปปยุตจากสังโ ย, d, ตงง ย, d, ยชตและไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชตก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปปยุตจากสังโยชตแต่เป็นอารมณ์ของสังโยชตหรือวิปปยุตจากสังโยตและไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชตก็มี 5. คันทะโคจักะวิสัชนาธาตุสิไม่เป็นคันธะ ธรรมธาตุที่เป็นคันทะก็มีที่ไม่เป็นคันทะก็มีธาตุสิเป็นอารมณ์ของคันทะธาตุสองที่เป็นอารมณ์ของคันทะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของคันทะก็มีธาตุสิวิปยุตจากคันทะธาตุสองที่สัมปยุตด้วยคันทะก็มีที่วิปยุตจากคันทะก็มีธาตุสิกกล่าวไม่ได้ว่าเป็นคันทะแล้วเป็นอารมณ์ของคันทะหรือเป็นอารมณ์ของคันทะแต่ไม่เป็นคันทะ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 ธาตุสิกล่าวไม่ได้ว่าเป็นคันทะและสัมปยุทธ์ด้วยคันทะหรือสัมปยุทธ์ด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันทะมโนวิญญาณธาตุกล่าวไม่ได้ว่าเป็นคันทะและสัมปยุทธ์ด้วยคันทะที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันทะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันทะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นคันทะและสัมปยุทธ์ด้วยคันทะ หรือสัมปยุทธ์ด้วยคันทะแต่ไม so, ่เป like ็นค ah ันทะก็มีธาตุสิบหกวิปยุทธจากคันทะแต่เป็นอารมณ์ของคันทะธาตุสที่วิปยุทธจากคันทะแต่เป็นอารมณ์ของคันทะก็มีที่วิปยุทธจากคันทะและไม่เป็นอารมณ์ของคันทะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุทธจากคันทะแต่เป็นอารมณ์ของคันทะหรือวิปยุทธจากคันทะและไม่เป็นอารมณ์ของคันทะก็มี 6. ถึงแโอคะโคจัชกาทิวิสัชนาทาส 17. ไม่เป็นโอคะไม่เป็นโยคะไม่เป็นนิวรนธรรมธาตุที่เป็นนิวรนก็มีที่ไม่เป็นนิวรนก็มีทาส 16. เป็นอารมณ์ของนิวรนท่าสองที่เป็นอารมณ์ของนิวรนก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของนิวรนก็มีทาสิบวิปยุทธจากนิวรนท่าสอง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 ธรรมะธาติที่เป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์หรือเป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มีธาตุสิกล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรณ์และสัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์หรือสัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์มโนวิญญาณธาตุกล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรณ์และสัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์ ที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มีธรรมาธาติที่เป็นนิวรณ์และสัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์ก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรณ์และสัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์หรือสัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มีธาตุสิวิปยุทธ์จากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ ธาตุสองที่วิปปยุตยจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีที่วิปปยุตยจากนิวรณและไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปปยุตยจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์หรือวิปปยุตยจากนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มี 9. ปรามาศโคจัตชกาวิสัชนาภาต17ไม่เป็นปรามา ธรรมธาตุที่เป็นปรามาตตก็มีที่ไม่เป็นปรามาตกก็มีธาตุสิหเป็นอารมณ์ของปรามาตธาตุสองที่เป็นอารมณ์ของปรามาตกก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาตกก็มีธาตุสิบวิปยุตจากปรามาตมโนวิญญาณธาตุที่สัมยุญด้วยปรามาตก็มีที่วิปยุตจากปรามาตก็มีธรรมธาตุที่สัมยุญด้วยปรามาตก็มีที่วิปยุตจากปรามาตก็มี ที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุตด้วยปรามาตหรือวิปยุตจากปรามาตก็มีธาตุสิกล่าวไม่ได้ว่าเป็นปรามาตและเป็นอารมณ์ของปรามาตหรือเป็นอารมณ์ของปรามาตแต่ไม่เป็นปรามาตมโนวิญญาณธาตุกล่าวไม่ได้ว่าเป็นปรามาตและเป็นอารมณ์ของปรามาตที่เป็นอารมณ์ของปรามาตแต่ไม่เป็นปรามาตก็มี ที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอารมณ์ของปรามาต์แต่ไม่เป็นปรามาต์ก็มีธรรมธาตุที่เป็นปรามาต์และเป็นอารมณ์ของปรามาต์ก็มีที่เป็นอารมณ์ของปรามาต์แต่ไม่เป็นปรามาต์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นปรามาต์และเป็นอารมณ์ของปรามาต์หรือเป็นอารมณ์ของปรามาต์แต่ไม่เป็นปรามาต์ก็มีธาตุสิวิปยุจจากปรามาต์แต่เป็นอารมณ์ของปรามาต์ ธาตุสองที่วิปยุจจากปรามาตแต่เป็นอารมณ์ของปรามาตก็มีที่วิปยุจจากปรามาตและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาตก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุจจากปรามาตแต่เป็นอารมณ์ของปรามาตหรือวิปยุจจากปรามาตและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาตก็มี 10. มหันตระทุกกะวิจัชนาธาตุสรับรู้อารมณ์ไม่ได้ธาตุเจรับรู้อารมณ์ได้ ธรรมธาตุที่รับรู้อารมณ์ได้ก็มีที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ก็มีธาตุเจ็ดเป็นจิตธาตุสิบเอ็ดไม่เป็นจิตธาตุสิบเจ็ดไม่เป็นเจตสิกธรรมธาตุที่เป็นเจตสิกก็มีที่ไม่เป็นเจตสิกก็มีธาตุสิบวิปยุจจากจิตธรรมธาตุที่สัมยุญด้วยจิตก็มีที่วิปยุจจากจิตก็มีธาตุเจ็ดกล่าวไม่ได้ว่า สัมปยุทธ์ด้วยจิตหรือวิปยุทธ์จากจิตทาตสิบไม่ระคนกับจิตธรรมธาตุที่ระคนกับจิตก็มีที่ไม่ระคนกับจิตก็มีท่าเจ็กล่าวไม่ได้ว่าระคนกับจิตหรือไม่ประคนกับจิตทาติบสองไม่มีจิตเป็นสมุดฐานท่าหกที่มีจิตเป็นสมุดฐานก็มีที่ไม่มีจิตเป็นสมุดฐานก็มี ธาตุสิเจ็ดไม่เกิดพร้อมกับจิตธรรมธาตุที่เกิดพร้อมกับจิตก็มีที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตก็มีธาตุสิบเจไม่เป็นไปตามจิตธรรมธาตุที่เป็นไปตามจิตก็มีที่ไม่เป็นไปตามจิตก็มีธาตุสิบเจไม่เป็นไปตามจิตธรรมธาตุที่เป็นไปตามจิตก็มีที่ไม่เป็นไปตามจิตก็มีธาตุสิเจ็ไม่ประคบกับจิตและมีจิตเป็นสมุดฐาน ธรรมธาตุที่บรคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุดฐานก็มีที่ไม่บรคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุดฐานก็มีธาตุสิไม่บรคนกับจิตมีจิตเป็นสมุดฐานและเกิดพร้อมกับจิตธรรมธาตุที่บรคนกับจิตมีจิตเป็นสมุดฐานและเกิดพร้อมกับจิตก็มีที่ไม่บรคนกับจิตมีจิตเป็นสมุดฐานและเกิดพร้อมกับจิตก็มีธาตุสิบเจ็ด ไม่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุดฐานและเป็นไปตามจิตธรรมธาตุที่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุดฐานและเป็นไปตามจิตก็มีที่ไม่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุดฐานและเป็นไปตามจิตก็มีธาตุสิองเป็นภายในธาตุหเป็นภายนอกธาตุเเป็นอุปาทายรูปธาตุแไม่เป็นอุปาทายรูป ธรรมธาตุที่เป็นอุปาทายรูปก็มีที่ไม่เป็นอุปาทายรูปก็มี 11. อุปาทานโคจัชกาวิสัชนาธาติสิการมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิยึดถือสัทธาติการมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือธาติเที่การมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิยึดถือก็มีที่การมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือก็มี ธาตุสิไม่เป็นอุปาทานธรรมธาตุที่เป็นอุปาทานก็มีที่ไม่เป็นอุปาทานก็มีธาตุสิเป็นอารมณ์ของอุปาทานธาตุสองที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีธาตุสิวิปยุทธจากอุปาทานธาตุสองที่สัมปยุทธด้วยอุปาทานก็มีที่วิปยุ um ทธจากอุปาทานก็มีธาตุสิ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 ที่สัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานก็มีธรรมะธาติเป็นอุปาทานและสัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอุปาทานและสัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานหรือสัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานก็มีธาตุสิห วิปยุจจากอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานธาตุสที่วิปยุจจากอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่วิปยุจจากอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุจจากอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานหรือวิปยุจจากอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี 12. กิเลสัโคจัชกาวิสชนาทาติบเจไม่เป็นกิเลสธรรมท่าที่เป็นกิเลสก็มีที่ไม่เป็นกิเลสก็มีทาสิบหเป็นอารมณ์ของกิเลสท่าสองที่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีทาสิบหกิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองท่าสองที่เป็นกิเลสทําให้เศร้าหมองก็มีที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองก็มี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 เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีธรรมาท่าที่เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสหรือเป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีท่าสิบหกล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและกิเลสทําให้เศร้าหมอง หรือกิเลสทาให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสโนวิญญาณธาตุกล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและกิเลสทาให้เศร้าหมองที่กิเลสทาให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ากิเลสทาให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีทรมาธาตุที่เป็นกิเลสและกิเลสทำให้เศร้าหมองก็มีที่กิเลสทาให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลส และกิเลสทาให้เศร้ามองหรือกิเลสทาให้เศ้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีธาตุสิกล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสหรือสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสมโนวิญญาณธาตุกล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสที่สัมปยุทธ์ด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีธรรมธาตุ เป็นกิเลสและสัมปยจจุตด้วยกิเลสก็มีที่สัมปยจจุตด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและสัมปยจจุตด้วยกิเลสหรือสัมปยจจุตด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีธาตุสิวิปปัจจุตจากกิเลสแต่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสธาตุสองที่วิปปัจจุตจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่วิปปัจจุตจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มี ที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุทธจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสหรือวิปยุทธจากกิเลสแต่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มี 13. บสปิดทิฐุกวิจัชนาธาตุสิไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักธาตุสองที่ต้องประหารด้วยโสดาปัติมัคก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักก็มีธาตุสิ ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาธาตุสองที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามก็มีธาตุสไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคธาตุสองที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคก็มีธาตสิบไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาม ธาตุสองที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาก็มีธาตุสิบหไม่มีวิตกมโนธาตุมีวิตกธาตุสองที่มีวิตกก็มีที่ไม่มีวิตกก็มีธาตุสิบหไม่มีวิจารณ์มโนธาตุมีวิจารณ์ธาตุสองที่มีวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีวิจารณ์ก็มีธาตุสิไม่มีปีติ ธาตุสองที่มีปีติก็มีที่ไม่มีปีติก็มีธาตุสิบหกไม่สหรคตด้วยปีติธาตุสองที่ <flawless> ทสหรคตด้วยปีติก็มีที่ไม่สหรคตด้วยปีติก็มีธาตุสิบห้าไม่สหรคตด้วยสุขธาตุสามที่สหรคตด้วยสุกก็มีที่ไม่สหรคตด้วยสุขก็มีธาตุสิบเอ็ดไม่สหรคตด้วยอุเบกขา ธาต <min iyim> <é> <notes> ุหสหรคตด้วยเบเกขาธาตุสองที่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีที่ไม่สหรคตด้วยเบเกขาก็มีธาตุสิบหกเป็นกามาวจรธาตุสองที่เป็นกามาวจรก็มีที่ไม่เป็นกามาวจรก็มีธาตุสิบไม่เป็นมรูปาวจรธาตุสองที่เป็นมรูปาวจรก็มีที่ไม่เป็นมรูปาวจรก็มีธาตุสิบห ไม่เป็นอรูปาวจรธาตุ ส, สองที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่เป็นอรูปาวจรก็มีธาตุ ส, สิบหนับเนื่องในวัตทุกข์ธาตุสอง ท, ท, ท, ที่นับเนื่องในวัตทุกข์ก็มีที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์ก็มีธาตุสิบหไม่เป็นเหตุนําออกจากวัตทุกข์ธาตุสองที่เป็นเหตุนําออกจากวัตทุกข์ก็มีที่ไม่เป็นเหตุนําออกจากวัตทุกข์ก็มี ธาตุสิบหให้ผลแน่นอนธาตุสองที่ให้ผลแน่นอนก็มีที่ให้ผลไม่แน่นอนก็มีธาตุสิบหกมีธรรมอื่นยิ่งกว่าธาตุสองที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็มีที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็มีธาตุสิบหกไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ธาตุสองที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มี ปัญหาปุจฉะจบธาตุวิพังหรือธาตุวิพังจบบริบูรณ์